ที่ชื่อว่าจีวันได้แก่บรรดาจีวันหชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะวิกลับได้เป็นอย่างต่าคําว่าให้คือให้เองที่ชื่อว่าตามความคุ้นเคยกันคือตามความเป็นมิตรตามความเป็นเพื่อนตามความใกล้ชิดตามที่เป็นผู้ร่วมพระอุปชาตามที่เป็นผู้ร่วมพระอาจารย์กันมาที่ชื่อว่าที่เป็นของสงคือที่เขาถวายที่เขาบริจาคแล้วแก่สง์ ที่ชื่อว่าลาบได้แก่จีวรนบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภศัชบริหารโดยที่สุดแม้ก้อนจุรณะไม้สีฟันหรือได้ชายผ้าคำว่าภายหลังกลับติเตียนความว่าภิกษุเมื่อให้จีวรนแก่อุปสัมบันที่สงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงเสนาสนะแจกอาหารแจกข้าวต้มแจกผลไม้แจกของเคี้ยวหรือแจกของเล็กๆน้อยๆกลับติเตียนต้องอบัติปาจิตติ